ข อ, อนอ้อมปรธรถนายขอากาศพระอาจารย์วัฒนชัยแล้วก็เพื่อนสาธธรรมิทุกท่านนะจะเริยนในธรรมไม่ขียรแะยติธรรมทุกคนนะพระพุทธเจ้านะท่านเคยตัดนะเป็นพุทธพจน์บอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่เราสมควรที่จะต้องโกรธ พวกเราเข้าใจไม้มไม่มีเหตุผลใดที่สมควรที่เราจะต้องเอามาเป็นอารมณ์โกรธในใจของเราแต่บางทีคนส่วนใหญ่เนาะก็เวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตนะเช่นเจอคำตำหนิเจอคนนินทาเจอคนโกงนะเจอ สิ่งที่เขามาทาร้ายนะเราก็มักจะเชื่อว่าเนี่ยสมควรแล้วที่เราจะต้องโกรธเขานะเพราะเขามาด่าเราเพราะเขามาโกงเราเพราะเขามาทาร้ายเรานะเราก็สมควรแล้วที่ต้องโกรธหรือบางทีก็สมควรแล้วที่ต้องด่ากลับไปสมควรแล้วที่จะต้องไปทาร้ายเขาคืนนะเขาแรงมาเราก็แรงไปนะแบบนี้ เราคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่สมควระ่นะแต่ลองพิจารณาดยดีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ไม่มีเหตุผลใดที่เราสมควรจะต้องโกรธนะเพราะอะไรท่านบอกว่าสมมตินะถ้าเขาว่าเรานะถ้ามันไม่จริงนะเราจะไปโกรธเขาทนะําไมเนาะก็เขาบ้านเราไม่จริงเนาะเช่นสมมุติเขาว่าเราเป็นไอสัตว์นะ เราก็ไม่ใช่เป็นสัตว์นะเราจะไปโกรธเขาทำไมเขาว่าเราไม่จริงนะเขานินทาเรื่องที่ไม่จริงนะเขาเข้าใจผิดเราก็ไม่เห็นจะต้องไปโกรธ ท, ทำไมก็เขานินทาไม่จริงเนาะหรือถ้าเขาตาหนิเขาต่อว่าในเรื่องที่เราผิดจริงเออก็ดีเหมือนกันก็ขอบคุณเขาสิก็ในเมื่อเราผิดจริงเราทำไม่ถูกจริ ง, รงๆก็ ควรที่ต้องขอบคุณเขามากกว่าที่ไปโกรธเขาใช่ไหมอันนี้แหละคือพระเจ้าบอกเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เราไม่ต้องสมควรไปโกรธคนที่อ่ที่ว่าหรือว่าทำร้ายเรานะถ้าเราถ้าเราทำไม่ผิดแล้วเขาว่าเราผิดเขาก็พูดไม่จริงนะถ้าเราทำผิดแล้วเขาว่าเราถูกว่าเราเอา่อทำผิดแบบนั้นแบบนี้ ก็ขอบคุณเขาที่เขาเห็นข้อบกพร่องแล้วก็ชี้ข้อบกพร่องให้กับตัวเราแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วเราก็แก้ไขเนี่ยจิตใจเราก็ก็เลยเป็นปกติเนาะไม่ต้องเอาไม่ต้องทาตามความโกรธนะเพราะถ้าเรากโกรธนะเราหงุดหงิดเราไม่พอใจจิตใจเราก็เสียความเป็นปกตินะพอใจเราเสียความเป็นปกติก็เลย นะเรียกว่าไม่มีสตินะไม่มีสติก็เลยทําตามความโกรธนะทาความความโกรธก็เกิดความเสียหายนะเกิดความทั้งที่จริงเราก็ทุกข์ใจเราตอบโต้คนอื่นไปเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันพนะระโตองค์ท่านบอกเวนย่ำรับย่ำไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนนะนั้นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาไม่ จบเม่สิ้นเนี่ยไม่เคยระ ง, งับได้นะมีเรื่องราวหลายอย่างในสมัยพุทธกาลหรือที่จริงในสมัยปัจจุบันนะทุกพบทุกชาติเนาะคือมันไม่เคยระ ง, งับด้วยการที่เออไม่ไม่ยอมหยุดที่จะจองเวรกันในสมัยพุทธกาลก็มีนะเมียน้อยเมียหลวงเข่นฆ่ากันข้ามพบข้ามชาตินะ เป็นยักษ์ก็เข้นฆ่ากันนะเป็นมนุษย์ก็เข้นฆ่ากันเป็นตัดเิรย์ชานก็เข้นฆ่ากันจองเวรกันไปจองเวรกันมานะหรือในสุภาษิตหนังกำลังภายในเนาะแบบคล้ายๆแค้นนี้ต้องชำระเนาะแบบชาระสิบปีก็ยังไม่สายแต่แต่ต้องดางแค้นให้ได้นะถือเป็นแบบ คติในใจแต่จริงขนาดที่คิดแบบนั้นมันก็ทุกข์ใจขนาดที่ทำแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสบายใจนะเพราะมันก็ต้องกลัวคนอื่นเขาจะกลับมาดางแค้นตัวเองอีกเหมือนเดิมแหลนะนะอันนี้คือพรธเจ้ า, าก็บอกเราไม่มีเหตุผลที่ต้องสมควรโกรธแล้วก็เราไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องไปดางแค้นไปแก้แค้นอะไรเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อการที่ เราทุกใจนะคนอื่นเขาก็ทุกใจกรรมก็เลยวนๆกันไปนะวนเหมือนคงจักวนไปเรื่อยนะอ่ามันเป็นวงกลมที่เป็นวัฏจักรที่เพราะเราดองเราก็เลยโกรธพราะเราโกรธเราก็เลยทําตามความโกรธเพราะเราทําตามความโกรธเราก็เลยทุกใจนะทุกใจที่จริงแม้แต่ไม่ได้ทํำนะแต่จริงถ้าเรา ดูความรู้สึกของเราได้เนาะความโกรธเนี่ยมันทุกไหมเราสังเกตดูผู้ที่โกรธเป็นทุกหรือเปล่านะผู้ที่โกรธเป็นทุกไหมมันทุกเนาะบุดหงิดก็ทุกโกรธก็ทุกอาฆาตพยาบาทก็ทุกอารมณ์อื่นๆก็เหมือนกันนะความความรักเป็นทุกไหม ถ้าเราสังเกตมันมีความห่วงมากเกินไปมันมีความกังวลใจจนทุกข์ใจมันมีความระแวงระวังมากเกินไปไหมเราก็สังเกตความอยากได้ในสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาขณะที่เรามีความอยากนะจิตใจเรา เป็นปกติไหมนะใจิตใจมันทุกข์หรือเปล่านะาลองสังเกตดูเราอยากได้โทรศัพท์ใหม่โอ้เงินไม่พอก็ทุกข์ใจนะเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราไม่ได้ดีตามเขาเราอิจฉาเขาเราทุกข์ใจไหมนะมันก็ทุกข์ใจเนาะหรือแม้แต่เราอยากจะได้นะ เป็นพระอริยะอยากจะได้เป็นพะระละหันนะอยากจะเข้าใจธรรมะนะบางทีความอยากก็ทําให้เราทุกขนะ์เนาะถ้าเราทําตามความอยากนะนะแต่บาต่างนะถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะภาวนาเพื่อต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์นะไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเป็นพระอะไรนะเป็นพระอริย ไม่ยด้ปัตนาจะเป็นพระอหรหันต์ไม่ได้ปัตนาที่จะให้ใครนับถือไม่ให้ปัตนาที่จะอวดอ้างตัวตนเนี่ยมันสบายนะเนาะเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เฉยๆนะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่สําคัญน ะ, นะเราก็แค่รู้สึกตัวของเราเห็นว่าความอยากมันเป็นทุกข์บางทีเวลาปฏิบัติใหม่ๆเราก็ วางใจไม่ค่อยถูกเนาะพอเราปฏิบัติแบบจริงจังตั้งใจมากๆเนี่ยแม้เราจะรู้ว่าเราสมควรที่จะละความอยากนะหรือบางทีครูบาอาจารย์ก็จะเตือนว่าเออไม่ให้ปฏิบัติตามความอยากนะนะไม่ต้องอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากเอาอะไรเนะีนะ่ยนะมันก็แต่บางทีเราก็เผลอเหมือนกันนะนะ แม้แต่ตัวผู้พูดนะบางทีตอนก็จําได้นะหลวงพ่อก็เคยสอนวนะ่ไม่ปฏิบัติด้วยความอยากนะแต่บางครั้งนะอย่างอย่างช่วงแรกๆบวชใหม่ๆบางทีเก็บอารมณ์นะบางทีอารมณ์ที่เราปฏิบัติต่อเ น, นื่องเป็น10กว่าวันนะบางทีมันก็ทั้งวันทั้งคืนมันก็เพิ่มดีกี่ความอยากนะแรกๆ ก, ก็ปฏิบัติสบายสบาย แต่พอปฏิบัติต่อไปก็คิดว่าอยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะเข้าใจธรรมะแทนที่ปฏิบัติหลายวันแนละ้วมันจะสบายขึ้นแต่ยิ่งอยากมากขึ้นนะโอ้มันมันทุกเนาะมันเครียดเครียดเหมือนคล้ายๆเหมืนอนเราปฏิบัติจะเอาจริงเอาจังจะเอาให้ได้นะแต่ยิ่งยิ่งอยากจะได้ยิ่งอยากจะเอากับยิ่งไม่ได้ <c oughs> กับยิ่งทุก โอ้ทำไมทำไมเราปฏิบัติแล้วมันทุกข์มากขึ้นมันเครียดมากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเรามันอยากนี่เองนะแต่พอสังเกตรู้เท่าทันตัวเราเออเราเราบ้านเราบ้ า, า, บาไปนี่นะเราไปหน้าดําค่าเครียดเราอยากได้เราอยากเป็นเออความอยากนี่เองนะักทาให้เราทุกข์พอ พอวางใจในการลดความอยากมันถึงอาจจะไม่ถึงละเด็ดขาดนะมันก็ลดลงไปพอลดความอยากได้การภาวนามันก็ง่ายขึ้นนะเออมันก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเพราะอะไรความอยากมันทำให้เราเ อ, อจิตมันทยานออกไปที่อนาคตเนา ะ, นะมันไม่ได้พอใจที่ปัจจุบันความอยากก็คือเหมือนเรา นะมีเป้าหมายสักอย่างแล้วใจเราก็ไปอยู่กับเป้าหมายนั้นนะอยากจะเป็นพระอริยะใจเราก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่อยู่ในสภาวะปัจจุบันนะอยากจะได้อะไรนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใจเราก็คิดถึงความสุขที่ที่จะได้ถิ่งนั้นหลงลืมว่าตัวเราในปัจจุบันนี้เป็นเป็นอะไรนะใจเราไปคิดแบบนั้นมันก็เลยเกิดความอยากนะ มันก็เกิดความทุกข์ใจนะดังนั้นความโกรธก็ดีความโลภนะก็ดีแม้แต่ความหลงก็ดีนะพวกนี้แหละมันเป็นเหตุทาให้จิตมันทุกขนะ์ถ้าเราสังเกตเดูดีจิตมันทุกข์เมื่อมีกิเลสมามาเจือปนนะมาครอบงำนะมันเป็นเหตุทาให้จิตมันทุกข์นะ เราเพียงแค่ตระหนักรู้นะว่าจิตมันมีมันมีความทุกข์นะจิตมันทุกข์เพราะอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเราตระหนักรู้เออจิตมันเสียความเป็นปกติแล้วเมื่อจิตเราตระหนักรู้ว่ามันไม่พอใจมันอยากมันหลงไปเนะี่ยจิตจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตจะเป็นปกตินะถ้าเรารู้เท่าทันจิตเนี่ยมันจิตมันก็จะเรียกว่า ก็จะกลับมาเป็นปกติได้ เ, เราคอยสังเกตอารมณ์เวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเราทำไปจะทําทตามอารมณ์จะทําทตามความคิดถ้าเราทําตามอารมณ์ทําตามความคิดนะบางทีแม้แต่ชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันก็เกิดความทุกข์นะแต่บางทีเราก็บางทีเราก็ชินกับมันหรือบางทีเราก็ไม่ทันสังเกตนะบางทีเรื่อง ง, ง่ายเรื่องธรรมดาทําไม เราได้ฟังพระสูตรเนาะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องสติปทามหาสติปฐานสูตรนะอย่างที่วัดเราเน้นกันเรื่องนะสัมปชัญญะบัพเนะเนี่ยพระเจ้าท่านสอนง่ายๆนะมีสติในการเดินมีสติในการนั่งมีสติในการคู้แขนเข้าเหยียดแขนออกมีสติในการเหลี่ยงซ้าย มีสติในการแลกขวามีสติในการกินดื่มมีสติในการขับถ่ายนะมีสติในการเดินไปข้างหน้าถอยเพื่อนหลังนี่ท่านสอนเรื่องง่ายๆนะบางทีเราทําไมดูวระเจ้ า, จาท่านสอนง่ายจังไม่เห็นไม่เห็นแบบดึกซึ้งไม่เห็นพิสดารเลยเพราะที่จริง ไอ้เรืพวกนี้นะมันนึกซึ้งอยู่ในตัวเราเราเราเคยสังเกตไหมเวลาเราอยากมากๆอ่ะเรากินด้วยความอยากหรือเรากินด้วยความมีสตินะเราหิวเนาะเราก็ดีบกินนะเพื่ออยากให้มันอิ่มมันกินอร่อยเราก็หลงพอใจในรสชาติมันมีสติไหมหรือว่าขาดสติใช่ไหมเอาง่ายๆหรือไม่แต่ทําไมผู้เจ้าตัดแม้แต่การการหนักการเบานะ สังเกตไหมเวลาเราเบ่งมากเกินไปเนี่ยมันเบ่งด้วยความอยากใช่ไหมใช่ไหมเวลาจะเบ่งหนักเบ่งเบามากเกินไปเนี่ย อ, อขาดสตินะไม้แต่ในวิในพระที่เป็นที่เป็นสิกขาบทย่อยนะก็มีเขาบอกพิสุนะ่ะถ้าเบ่งอุจจาระนะ่ะก็ถือว่าผิดผิดศีล น, นะนะคืออะไร เพราะว่าเราทําด้วยความไม่รู้ตัวนะอลองสังเกตไม่แต่อุจจาระปัสสาวะบางทีเราก็เบ่งนะเพราะว่าเราอยากให้มันเสร็จเร็วๆเราอาจจะดื่มตัวว่าใจเราอาจจะเผลออยากให้มันเสร็จเร็วจะได้ไปทํากิจนะต่อไปจนลืมสติว่าตอนเนี้เราก็ควรที่จะมีสติรู้ตัวในการนะเข้าห้องน้ำนะในการขับถ่ายในการปัสสาวะอุจจาระ พวกนี้เราสามารถมีสติได้นะในการกินก็ดีนะเราสังเกตดูเราเคี้ยวข้าวยังมีสติหรือว่าใจเราลอยนะหรือว่าใจเราอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆนะเราเดินก็เหมือนกันนะสังเกตเราเดินเราเดินด้วยความรีบร้อนไหมนะโดยเฉพาะคนทำงานนะบางทีเวลาเราทำงานเนาะเราก็ใจมันก็คิดแต่เรื่องงาน อยากให้งานมันเสร็จก็เวลาเดินก็รีบเดินนะรีบเดินหวังให้มันถึงที่ทำงานเร็วๆจะได้ไปทำงานให้มันเสร็จนะตอนทำงานก็ไม่ได้ไปใจอยู่ที่ทำงานตรงนั้นบางทีก็ไปคิดถึงงานที่สองงานที่3บางคนมีนิสัยชอบวางแผนเนาะในแต่ละวันเราจะมีแผนทำอะไรบ้างเช็คลิสต์นะนะมีลิสต์ที่ต้องทำ หนึ่งส7ามสี่ห้าหกเจ็ดนะเป็นสิบนะวันนี้จะทำอะไรบ้างก็พยายามทำให้เสร็จเร็ ว, รวแต่ใจบางทีก็ไม่อยู่กับสิ่งที่ทำใจก็ไปอยู่กับสิ่งที่คิดจะทำต่อไปนะล้วก็เลยมีความรีบนะรีบนะรีบทั้งวันทั้งคืนไม่เคยไม่เคยรู้สึกสบายนะเอาจึงลองกลับมาตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำเนาะแม้บางที กิจวัตรบางอย่างมันดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะแต่จริงถ้าเรามีสติเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันเป็นมันเป็นความลึกซึ้งที่พระเจ้าท่านสอนธรรมะที่จริงไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่เองนะเรานั่งเราก็มีสติมีสติในการนั่งเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเป็นปกตินะทาให้เราไม่ทุกข์ตอนเนาะ มันมหัตะจันขนาดไหนมันนึกซึ้งขนาดไหนถ้าเรานั่งแล้วมันไม่ทุกเนี่ยไม่ต้องไปหาสุขที่ไหนนะบางทีเราคิดว่าเราต้องไปแสวงหาความสุขนะอากวัตถุสิ่งของนะจากความจากคําชื่นชมจากสิ่งต่างๆแต่จริงพอนั่งแล้วมันไม่ทุกเนี่ยมันคือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราพอใจไหมนะ เราเดินบินธบาทนะเราเดินอยู่ในวัดเรากวาดด้านวัดอย่างมีสติรู้ตัวขณะที่กวาดนะใจลอยไปก็กลับมาอยู่กับการกวาดใหม่เนะี่ยมันเป็นความสุขที่มีความสงบอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็ทำพวกนกะิจต่างๆพวกนะ้เราไม่ต้องไปแบ่งแยกว่างานอะไรสำคัญกว่างานอะไรเนาะงานใช้ความคิดนะ ดีกว่างา น, นใช้กำลังกายนะที่จริงงานแต่ละคนมันอาจจะมีความแตกต่างกันแต่จริงถ้าเราใส่ใจกงานที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็นงานกวาดใบไม้ไม่ว่าจะเป็นงานทำอาหารไม่ว่าจะเป็นงานสอนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นงานกรรมกรนะงานไหนๆนะถ้าเราเอาสติเข้าไปในการทำงานนะโอ้มันมีประโยชน์ มีประโยชน์คนที่ได้รับคนแรกก็คือตัวเราเนี่ยแหละนะเราทำงานยังมีสติทำงานอย่างรู้ตัวนี่ราจะเห็นเลยว่าโอ้มันไม่ทุกข์ใจไม่มีความสุขใจหรือตอนไหนใจเราเผลอรีบหรือตอนไหนใจเราเผลอผูกสั้นไปมีสติดูเท่าทันเนี่ยใจก็กลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยเราได้รับประโยชน์ละได้รับความเป็นปกติกลับมาสู่จิตใจนะ ได้รับความสุขใจเป็นความสงบใจนะหรือได้กลับมานะจากความหลงลนะอันนี้มันก็เป็นคุณค่าที่เราได้รับแล้ ว, ลวถ้าเราทำงานอย่างมีสติเนะี่ยเรากวาดพื้นอย่างมีสติเราก็ได้สตนะิวัดก็ได้ความสะอาดนะความสวยงามความร่มรื่นแม่ครัวทำอาหารอย่างมีสติตั้งใจหั่นผักตั้งใจปอกผลไม้ เราก็ได้สติในการทํางานนะคนที่วัดก็ได้อาหารรับประทานจากคนที่มีสตินะนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หรืองานที่ใช้ความคิดในการซอนในการเขียนในการอะไรก็แล้วแต่พอเราทํำทุกอย่างอย่างมีสติผลลัพธ์มันก็ได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะอันนี้แหละชีวิตเราจะเป็นแบบไหนนะถ้าเราทํา ทุกอย่างยังมีสติดองใส่ใจลองสังเกตนะสังเกตดูจิตใจนะอย่างที่บอกตอนแรกก็ได้หรือบางทีเราก็สังเกตดูร่างกายในขณะที่ทำก็ได้เนาะบางทีถ้าเราทำด้วยความรีบทำด้วยความอยากนะมันจะค่อนข้างเกร็งๆนะเครียดเครียดเนาะเช่นเราเดินเร็วๆเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะนะมันก็จะเหนื่อยนะเดินรีบรีบเร็วๆมันก็ พอไปถึงแล้วมันต้องขอพักสักหน่อยนะเพราะว่าเรารีบร้อนเราเหนื่อยนะเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เร่งๆอยากจะทำให้มันเสร็จเนี่ยมันมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะเราสังเกตุเลยถ้าเราทาอะไรรีบร้อนเนะ่ยร่างกายเราก็เหนื่อยอันนั้นคือเป็นสัญญาณที่เข้าเตือนเราแล้วนะมันถูกแล้วที่ร่างกายเหนื่อยแบบนั้นถูกเพราะอะไรเพราะเข้ามาเตือนเรา นะว่าเราดิบร้อนว่าเราเร่งรีบนะหรือบางทีเราทําอะไรถ้ามันเครียดนะปฏิบัติทําในรูปแบบบางทีบางคนยกมือไปก็อึดอัดนะหายใจไม่อิ่มปวดหัวนะเพราะมันเครียดเพราะมันเพ่งนะตั้งใจเกินไปเขาก็ถูกแล้วนะเขาถูกที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันผิดนะมันเขาเลยมาเตือนนะถ้าฝืนทําต่อไปมากๆมันจะ ทกุกว่านี้นะเนะี่ยเข้ามาเตือนนั่นนะนะนะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ยังเผลอทําแบบนั้นต่อก็ยิ่งเครียดก็ยิ่งทุกข์นะอืมมันสะสมไปเรื่อยแต่จริงพอเรารู้ตัวว่าเออ ม, มันทําแล้วมันเครียดนะแล้วก็ปล่อยวางก็ผ่อนคลายนะก็ทําสบายขึ้นนะทําให้สบายสบายนะเดินก็เดินให้สบายสบายนะาสังเกตไหมเวลาเราเดินจงกรมเราเดินสบายไหมนะ บางทีเราพอจะเดินจงกรมเนาะบางทีเราก็ตั้งท่ามากเกินไปเนาะเดินก็ไม่ค่อยเป็นมนุษย์นะบางทีเราก็เดินเป็นเป็นหุ่นยนตนะ์เนาะบางทีเป็นจังหวะมากเกินไปนะจังหวะหยุดจังหวะยกจังหวะเหยียบนะเป็นจังหวะเป็นสเต็ปมากเกินไปบางทีเดินไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เริ่มปวดขาเนาะเพราะอะไรบางทีมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะ แต่พระเจ้าไม่เคยบอกสอนในการเดินเป็นจังหวะแบบแบบต้องไปใส่รายละเอียดกันมันนะพระเจ้าเนี่สอนว่าแค่ว่าเดินก็มีสติในการเดินนะบางทีท่านบอกแค่บอกเดินไปข้างหน้าก็รู้นะเดินกลับหลังก็รู้นะก้าวไปข้างหน้าให้รู้สึกตัวก้าวถอยหลังให้รู้สึกตัวท่านสอนแค่นั้นแหละหลักจริงๆคือการรู้สึกตัวนะ ถ้าเราเดินแล้วรู้สึกตัวน่ะดีแล้วนะอย่าไปอกลัวว่ามันจะหลงนะอย่าไปกังวลเรื่องท่าทางมากเนาะนะบางคนไปกังวลเรื่องท่าทางว่ามันจะไม่ถูกว่ามันจะไม่สวยว่ามันจะไม่เรียบร้อยนะถ้าบางทีเราเดินจับมือแล้วมันเครียดมันเก่งมันเพ่งเกินไปก็เดินปล่อยมือสบายๆเดินเต้นไป ถ้าบทีเราเดินช้าแล้วมันเครียดมันจ้องมันอึดอัดเออก็เดินเร็วขึ้นสิเดินให้เป็นธรรมชาติของเรามากขึ้นสินะแล้วก็ปรับได้เนาะหรือบางทีถ้าเราเดินเร็วนะมันฟุ้งซ่านเออก็รู้มันฟุ้งบ่อยเลือเกินเนาะฟุ้งยาวนะฟุ้งบ่อยนี่ธรรมดานะแต่ถ้าฟุ้งยาวคิดเพลินเนี่ยเออตั้งใจสักหน่อยอนะตั้งใจกระทบให้มันชัดขึ้นนะ หรือเดินช้าลงเนาะนะแต่ก็ให้มันให้มันเป็นธรรมชาตินะเนะี่ยเราก็ปรับความสมดุลเนาะเนะี่ยธรรมชาติของกายเขาก็บอกเราถ้าเราเพ่งจ้องถ้าเราตั้งใจเกินไปร่างกายมันก็เครียดร่างกายมันก็เก็งร่างกายมันก็อึดอัดเนะี่ยเราก็ดูโอ้เนี่ยความจริงเขาบอกเลยนะเนะี่ยธรรมชาติเ็าบอกความจริงละเราก็ดูเราก็ปรับของเรานะ หรือบางทีจิตใจมันฟุ้งซ่านไปแล้วก็รู้ทันเร็วๆนะก็กลับมานะที่จริงตอนรู้ทันะมันก็กลับมาแล้วนะนะกลับมาหาสิ่งที่เราทําอยู่อันนี้แหละธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะแค่กลับมารู้สึกตัวเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นทั้งความปกติในจิตเห็นทั้งความเผลอไปของจิตใจนะ ไม่ว่าจะเป็นด้านเผลอไปฟุ้งซ่านไปคิดไปหมกมุ่นกับอารมณ์ต่างๆหรือเผลอไปตั้งใจเผลอไปเคร่งเครียดเผลอไปจริงจังนะถ้าเรากลับมาเนี่ยแหละเราก็จะเห็นนะเหมือนครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะก็คือกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติเดิมแท้จริงคือความปกตินะ ความไม่ทุกขนะ์เนี่ยคือธรรมชาติเดิมแท้ที่มันมีอยู่แล้วเนาะเราดงดื่มธรรมชาติตรง น, นี้แหละนะเราก็เลยเผลอไปเนาะคือหลวงพ่อชาท่านบอกว่ากลับมาหากลับมาสู่บ้านที่แท้จริงเนาะก็คือกลับมาหานะความเป็นปกติในจิตใจของเราเนหละนะคือบ้านที่แท้จริงนะเป็นที่อยู่ที่แท้จริงเนาะของจิตใจนะเราพยายามกลับมาบ่อยเนาะนะนะ ทำอะไรก็พยายามกลับมารู้ตัวบ่อยๆอย่าไปเผลอเพ่งออกไปเพ่งโทษคนอื่นเนาะบางทีจิตที่โกรธเนี่ยมันจะไปเพ่งโทษคนอื่นนะไปตำหนิคนอื่นหรือแม้แต่บางทีเราเป็นพวกชอบคิดชอบวิจารเนาะเราเห็นคนนั้นคนนี้เราก็มักไปวิจารณ์มักไปแซวมักไปเสียดสีอะไร น, นะเพราะจิตเราเผลอไป หรือบางทีเราก็เผลอทำด้วยความสนุกนะคิดว่าทำแบบสนุกสนุกแบบแกล้งกันเล่นๆแย่กันเล่นๆแต่จริงมันก็คือจิตมันเผลอออกไปแล้วแหละนะไม่ว่าจะทำตามความไม่พอใจก็ดีหรือทำด้วยความสนุกสนานก็ดีก็คือจิตส่งออกนอกทั้งนั้นแหละนะแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ใช่ว่ามันจะมีสติตลอดเวลาเนาะ แต่ถ้าเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันนะมันก็จะกลับมาได้ได้เร็วความหลงความเผลอก็จะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆนะมันก็กลับมาเพราะถ้าเราทำตามความาทาตามกิเลสพวกนี้เนาะตัวเราเองล้วก็จิตก็ไม่ปกตนะิแล้วก็ถ้าเราไปทำแบบนั้นกับคนอื่นถ้าเขาได้ยินถ้าเขาได้เห็นนะเขาก็อาจจะทุกข์ใจเพราะว่าเรา ไปทำอย่างนั้นกับเขา น, ะนั้นการอยู่ร่วมกันเนาะการมีสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะสตินี่จะรักษาใจเราให้เป็นปกตินะรักษาเพื่อนนะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนาะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเราต้องมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกนะไม่ว่าจะเป็นคนนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จิตใจเราให้มองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะอย่ามองแต่เพื่อนอันนี้คือพวกของเราอันนี้คือญาติพี่น้องของเราอันนี้คือคนที่เราชอบคนที่เรารักอันนี้คือเพื่อนกูนะที่เหลือไม่ใช่เพื่อนกูกูไม่สนใจนะกูไม่ใส่ใจกูเบียดเบียนได้นะบางทีโรคใบนี้นักก็คิดถึงแต่แบบนี้นะเอามาหาเข้าตัวเราพวกเรา แต่พวกอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยไม่สนใจแต่ถ้าจิตที่มีธรรมะมีเมตตาจริงเนมันจะมองทุกคนมองทุกอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเรามองแบบนี้นะจิตเรามีเมตตาจิตเรามีความกระุณาเราก็ทำทุกอย่างด้วยความเมตตานะเห็นต้นไม้ก็เออก็ท<ๆ>นุทนนอมเนะไม่จำเป็นก็ไม่ไปเบียดเบียนเขานะไม่ไปย้ายไม่ไปตัดนะ เขาก็อยู่ของเขาหนะ้าแหละบางทีจิตเราเห็นมันเก ก, กะที่จริงก็จิตเราไปมองว่ามันเก ก, กะมันก็เลยเกกะแต่จริงเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นก็ไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรนอกจากบางอย่างเราต้องทำงานบางอย่างก็โอเคเนาะแบบนี้เนีน่ยคือจิตที่เมตตาเมตตามันก็ทำแบบนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดุไม่อะไรได้นะบางที หมาเข้ามาในศส า, าแล้วก็ดุเราก็ไล่มันออกไปนะไม่ใช่ว่าก็ปล่อยมันเมตตาแบบนั้นบางทีเมตตาก็ต้องเมตตาด้วยกันสอนนะสอนนะมายังจําได้ตอนแรกๆนะมาอยูนะ่เห็นหลวงพ่อควัวหนังเตติกนะยิงหมาเข้ามาในวัดภูขอทองนะอุ้ยทำไมหลวงพ่อไม่มีเมตตากับหมาเลยนะนะท่านหลวงพ่อก็ไม่อธิบายเลยนะแต่หลวพ่อก็มักทำํำแบบนี้บ่อยๆนะแต่มา คือหลงพ่อสอนหมาไม่ให้มันเข้ามานะไม่ให้มันเข้ามาในวัดเพราะบางทีหมานะีธรรมชาติของเดรัจฉานบางทีหมามันก็มาได้กัดไก่นะหลวงพ่อก็สงสารสัตว์ตัวอื่นด้วยที่มันอ่อนแอกว่าเช่นไก่นะเนี่ยมันจะมาได้กัดไก่ถ้าหมาเข้ามาท่านก็ต้องปกป้องไก่นะท่านก็เลยไล่หมาออกไปหรือแม้แต่สุขกโตเราแต่ก่อนมีมีแรนหลายตัวนะ บางทีถ้าหมาตัวไหนมันมาเป็นฝูงนะมา ม, มารุมมากัดแลนตายหลวงพ่อก็สงสารมันบางทีสัตว์ป่าไม่มีใครปกป้องนะเราเราก็เลยต้องทำแบบนั้นบ้างบางทีเนาะเราเราเมตตานะเราก็ต้องเมตตาให้มันทั่วได้บางทีเราเมตตาเช่นหมาเราให้อาหารมันเราดูรักมันนะแต่ก็ต้องสอนมันไม่ให้มันไปทำ้าย นะสัต ย, ย่างอื่นด้วยอันนี้ยมันถึงเป็นเมตตาที่ที่มันแบบเสมอภาคกันเนาะไม่ใช่อันนี้เรารักนะอันนี้เราไม่รักนะบางทีความรักแต่ละคนนะบางทีมันมีทะเลาะ ก, กันก็มีนะถ้ามาเคยเห็นบางทีเนะี่ยพระรูปนี้เลี้ยงหมาตัวนี้พระรูปนี้เลี้ยงหมาตัวนี้นะหมาตัวนี้ไปกัดหมาตัวนี้นะหมากัดกันอย่างไม่พอนะ พระก็ทะเลาะ ก, กันแนะ่น่ะนี่หมากูนั้นหมามึงนะ่ะหมามึงมามากัดหมากูนะก็เลยทะเลาะ ก, กันเพราะว่าไปยึดติดตรงนั้นอันนี้ก็เออก็บางทีพรเราหลงตัวเองนะเราหลงเราก็เลยดื่มตัวนะ่ะแต่จริงเนี่ยก็ทําให้เกิดความทุกข์แค่นั้นแหละเกิดความไม่พอใจเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันแต่ที่พูดวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าที่วัดเรามี ปัญหาถ้าเราบอกแหวงอะไรนะแค่แค่พูดใน่ฟังนแง่เชิงว่ามันบางทีความโกรธเนาะนะถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่สมควรต้องโกรธนะแต่จริงคนที่โกรธก็ทุกข์ก่อนนั่นแหละนะนะมันก็ทุกข์ใจนะดังนั้นเราพยายามรู้ทันรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆนะหรือถ้าบางทีเราก็รู้ทันร่างกายนะ ที่เคลื่อนไหวหรือร่างกายที่เขาแสดงความผิดปกติออกมาเนี่ยแหละนะมันก็สังเกตก็ได้เนาะอย่างที่มาว่าบางทีสิ่งที่เป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นกิจวัตรปกติเนี่ยเราพยายามมีสติเข้าไปเนี่ยเราจะเพิ่มเวลาในการภาวนามากขึ้นเลยเนะเวลาภาวนาไม่ใช่เพียงแค่ตอนเวลาในการเราเดินจงกรมในรูปนะแต่ถ้าเราเดิน กลับไปที่กุติเดินไปบินทบาทรู้สึกตัวแต่ละก้าวอยู่กับปัจจุบันนะในการเดินนะไม่เพ่งจ้องไม่ใจลอยไปเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติทำแล้วนะเราทานอาหารนะรู้สึกตัวในการทานแต่ละคำแต่ละคาในการเคี้ยวในการตักในการกลืนนะเรามีสติแล้ว เราเข้าห้องน้านะถ่ายอุจจระถ่ายภัสวะเออทำแบบพอดีๆให้เป็นธรรมชาติไม่บังคับนะเออมันก็มีสติแล้วนะใจเราเป็นปกติแล้วนะนี่แหละเรื่องธรรมดามากนะดูบางทีธรรมะอาจจะเรียกอีกอย่างว่าธรรมดาก็ได้นะ <c oughs> นะถ้าเมื่อไหร่เราทำอะไรเกินธรรมดาเนี่ย <c oughs> เรียกว่าขาดธรรมะแล้วนะนะธรรมะที่จริงคือ กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาตินะกลับมาสู่ความเป็นธรรมดาเนะเนี่ยคือคือธรรมะนะให้พวกเราได้พิจารณาดูเนาะอย่าเพิ่งเชื่อแต่ต้องไปสังเกตดูว่ามันถ้าทําแบบนี้มันทุกข์ไหมทาแบบนี้แล้วมันไม่ทุกข์ไมแ้วก็ดูดูตัวเราอย่าไปเชื่อคนอื่นนะเชื่อความรู้สึกหรือเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนาะถ้าเราทําแล้วมันไม่ทุกข์นะ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไดนะ้นะในบางทีเราว่าเราไม่ทุกข์แต่คนอื่นก็เดือดร้อนเนี่ยก็อาจจะผิดนะนะถ้าเราทำให้ตัวเราไม่ทุกข์คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนะออ ก, ก็ดีแล้วก็ถูกแล้วนะแต่ถ้าทำแล้วทุกขนะ์เราก็ทุกข์ใจแม้เราจะอ้างว่าทำเพื่ออย่างงั้นอย่างนี้นะทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อสังคมทำเพื่อคนอื่นแต่เราก็ทาแล้วก็ทุกข์ใจนะ บาทีคนอื่นที่เร า, เราทําให้เขาอาจจะทุกข์ไปด้วยก็ได้นะเราว่าเราให้เขานะแต่เขาอาจจะรู้สึกอึดอัดเราให้มากเกินไปก็ได้นะเนี่ยเราทําแล้วตัวเราทุกข์ใจคนอื่นทุกข์ใจเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วนะเนี่นะั้นะนะแต่จริงก็เป็นเหมือนกันแนะเป็นอกุศลและธรรมนะ <c oughs> <c oughs> ก็ธรรมะก็คุมไปหมดนั่นแหละนะแต่ที่พูดไปถึงทํามธรรมะที่เป็นความหมายที่มากลับมาสู่ความเป็นปกตินะ กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ความเป็นธรรมดาเนี่ยแหละลวภาวนาเพื่อกลับมาหาบ้านที่แท้จริงหาจิตเดิมแท้กลับมาหาความเป็นปกตินี่แหละนะเนา ก, ก็พยายามสัมผัสนะจะไปหาที่ไหนนะหาที่ตัวเราแล้วก็ไม่ต้องไปหาในอนาคตไม่ต้องไปหาในอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแค่นะพอแล้วนะ สมควรเก็บเวลานาะกาปาพร้อมกัน